ขอความเจริญในธรรมจะมีแต่ท่านผู้ฟังทั้งหลายแต่หลวงปโปทยานได้นําเสนเ อ, อสมาวายามะมาค่อนข้างยาวเพราะว่าไปยกตัวอย่างเรื่องที่ควรละเรื่องที่ควรป้องกันเรื่องที่ควรละเรื่องที่ควรเป็นที่จริงเนี่ยเกื้อธมมันก็อยู่ในเรื่องที่จะต้องมีสมาวายามะเท่งนั้นนหะ เาว่านนการระบาปมันเป็นบุญเนี่ยถ้าเราไม่มีความพยายามมันก็ทําไม่ได้เดี๋ยวก็เนื้อหาสาระในทาง ธ, าธรรมะทางพระพุทธศาสนาภาคสนามจริงๆเนี่ยคือศีลสมาธิปัญญาทานศีลภาวนาการไม่ทําบาปทั้งปวงการทํากุศลให้สมบูรณ์การนําจิตได้ปลองแพ้วเนี่ยจับประเด็นตรงนี้ชุดใดชุดหนึ่งได้มันก็ไปด้วยกันนะเอ่อข้อต่อไปก็เป็นสมาสติเรื่องใหญ่เลยทีเนี้ยตัวสมาสตินั้น เป็นหลักการปฏิบัติที่เป็นเป็นก็ถือว่าเมนใหญ่อ่ะนะคือในการเจริญพวกจิตสิกขาเนี่ยจิตสิกขาก็ประกอบไปสมาวยมามะสมาสติสมาสมาธิแต่สมาสมาธิที่จริงมันเป็นผลมัสืบเนื่นอง ม, มาจากสมาสติเพราะฉนั้นสมาสติกับสมาวยามาเนี่ยก็จะเป็นเหตุหลักการปฏิบัติในส่วนของ สมถะกรรมาฐานวิปัสสนากรรมาฐานเนี่ยพระเจ้าจะเน้นไปที่องค์ธรรมองค์ธรรมหลักสามประการสามประการที่จริงมันก็อยู่ในอยู่ในนาฐาการธรรมที่กล่าวไว้ในวันก่อนแล้วเพียงแต่ว่าข้อที่น่าศึกษาก็คือทรงใชค้คำที่แสดงถึงความมีอยู่ภายในใจอย่างต่อเนื่อง มายความว่มีคุณธรรมเหล่านี้เป็นหลักใจเป็นเรือนใจอยู่อย่างต่อเ น, นื่องข้อความที่ทรงแสดงในเรื่องนี้แล้วก็นำมาแนะนำสั่งสอนกันมากนั้นก็ก็อยู่ในมาสติปฐานสูตรก็หมายความว่าเป็นเรื่องนี้โดยเฉพาะแต่ว่าในภาคที่ขยายอธิบายไปเนี่ยมาสติปฐานสูตรมันก็ควบครอบคลุมเนื้อหาธรรมะไว้ทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นเรื่องระดับสีระดับสมาธิระดับปัญญาแต่จะเด่นที่ระดับสมาธินะคือเด้นไปที่ระดับสมาธินี่เป็นหลักก็ถ้าพูดถึงจะอธิบายโดยวิชิตพิสดารจริงๆอัตมาอธิบายที่ตึกสวธรรมนิเวศ ท, ทุกวันเสาร์ภาคเช้าคราวหนึ่งก็ประมาณสามสิบนาที อธิบายมาตั้งแต่ปีพศ .2521 อ่านทุกเสานะเดือนละสี่เสาทุกวันยังไม่จบเลยยังมาอธิบายอยู่ที่โพชฌงค์เจ็ดประการเพราะว่ามันก็ไปเชื่อมโยงกับธรรมะต่างๆไปเรื่อยๆแตะจริงๆแล้วเนี่ยทุกเนี้ยคือพวกเจริญกุศลแต่ว่าเวลาทรงสแสดงไว้ในมหาสติปัฏฐานเนี่ยสแสดงไว้สมบูรณ์หมด เราอาจจะพูดว่าธรรมะในพุทธศาสนาสรุปรวมที่สมาสติปฐานสูตรก็ได้สรุปรวมที่ธรรมจักรวัตนสูตรก็ได้คือสามารถจะขยายใจจุดใดจุดหนึ่งออกไปได้แต่จะไปครอบคลุมไว้ทั้งหมดนะแต่เรื่องศีลจะไม่พูดว่าเด่นนะเพราะก็อยู่ในสมมาสติสมาสติเป็นเรื่องกิตติกิขาแต่ว่าในภาคสนามจริงๆในภาคสนามเวลาปฏิบัติเนี่ยก็นี่ลองสังเกตว่า เช่นตอนพยาศักกุลบุตรท่า น, นมีปัญหาภายในครอบครัวคือบารมีท่านแก่กล้า ข, ขึ้นวันดีคืนดีท่านมองเห็นสาวสรนกำนันในในปราสาทในเมืองก็ซากศพถี่ทิ้งอยู่ในปา่าช้าจึงรู้สึกอึดอัดรู้สึกระอารู้สึกรังเกียจรู้สึกเบื่อหน่ายไม่อยากจะอยู่นะก็เอาผ้าห่มโกงจะผ้าคลุมไหล่แบบ แขกที่ก็าครุมอยู่ในปัจจุบันนะก็เดินบนไปว่าที่นี้คุณวายหนอที่นี้กัดข้องหนอที่นี้คุณวายหนอที่นี้กัดข้องหนอก็เข้าไปที่อิสิปฒนามริกทายวันพระเจ้าทรงรู้ด้วยยานนะะเสด็จมามารออยู่ตอนนั้นก็มีพระานเกิดขึ้นแล้วในโลกโคกองคทัาพระพุทธเจ้านะตอนนั้น ปัญจวัคคีย์บรรลุมรรคผลเป็นแบรนไปแล้ววิญญาณเดินมาใกล้ก็เดินบ่นมาอย่างนั้นพระเจ้ารับสั่งวาาิสญาณที่นี่ไม่วุ่นวายที่นี่ไม่ขัดข้องมาที่นี้เถิดนั่งลงเถิดเราจักแสดงธรรมแก่เธอดคือถ้าเราลองดูว่าพระเจ้าตอนนั้นประชนรพรรษาก็สามสิบห้าเต็มนะสามสบหกย่างวิญญาณก็อายุก็คงใกล้ๆกันนะนะเพราะว่าก็มีครอบครัวแล้วแต่ว่า ในตํำนานนั้นไม่ได้บอกว่ามีลูกหรือเปล่าก็อายุก็คงใกล้ๆกันแต่ว่ายาศาเองไม่รู้จักพระพุทธเจ้าพระเจ้าเกิดรู้จักท่านก็คงทึ่งเนี่ยนะฮะทึง่งวังก็ไปต้มเตรียมไปเลยไปถึงคนนั่งเนี่ยมันก็เป็นศีลแล้วอะ่ะตรงนั้นเนะ่ยสมบรวมกายสมบรวมวาาัชชาสมบรวมใจที่จะฟังมันค่อนไปทางสมาธิแล้วนะมันมีสติมีสัมปชัญญะมีความเพียรนะธรรมะมันก็เครื่องหมายไปอย่างนั้น แล้วพระเจ้าก็ะสงแสดงธรรมแสดงธรรมในการไต่ระดับขึ้นไปเรื่อยๆจากทานไปศีลจากศีลผลทานผลศีลเนี่ยทําให้คนมันเกิดในสวรรค์แล้วก็ทรงแสดงให้เห็นว่าสวรรค์เองมันก็ไม่สนุกหรอกมีโทษนะก็แสดงก็เรียกว่าการมัททีนกคือโทษของกามกามที่เป็นทิพย์ก็ดีกามที่เป็นของมนุษย์ก็ดีเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นหน้าตาไม่ได้เรื่องอะไรมันก็เหมือนกับ ความฝันเวลานอนหลับตื่นขึ้นมามันก็ไม่ได้มีอะไรอยู่แล้วก็ในที่สุดเมื่อแสดงจงถึงจุดนั้นแล้วก็แสดงอั น, นสูงที่จะออกจากกรรมพ้นดีงามจะออกจากกรรมมาทํายังไงจะออกได้ละ่ะก็ทรงแสดงไปที่อริยสัจสี่ในช่วงแรกเนี่ยในช่วงแรกเนี่ยท่านยะก็บรรลุมรผลเป็นประโสดาบัณฑ์ก็แสดงว่าศีลสมบูรณ์ สมาธิพอประมาณปัญญาพอประมาณพอต่อมาบิดาของท่านเนี่ยมาตามมาเจอพระพุทธเจ้าพระเจ้าก็ทรงบันดาลด้วยพุทธานุภาพแม่พ่อเห็นลูกแต่ลูกเห็นนะลูกเป็นประสุทธบันแล้วแม่พ่อเห็นลูกเศนะรษฐีก็ถามว่านมหาสมนะเห็นยาสศกุลบุตรเดินผ่านมาทาง น, นี้บางไหมพระเจ้ารับสั่งว่าท่านนั่งลงเถิด จะลอยจะเห็นจะเจอย asa ที่นี่ก็ได้นะฮะหรือให้ความหวังให้ความหวังท่านก็ปก่งใจนะคือความมิตกกังวลตนะ่างๆเนี่ยเราจะเห็นว่าเนี่ยคือกระบวนการนี้เป็นศีลสมาธิปัญญาก็ เ, าเรียกว่าการจเจริญส ม, มะถะกรรมฐานเะนี่ยต้องตัดปริพเทืเครื่องกังวลเพราะลเศรษฐีเนี่ยเราจะเห็นว่าพยาสะเอา อวัยศ่กดิ์เนี่ยกังวลว่ามันวุ่นวายมันขัดข้องมันรําคาญมันอึดอัดมันระอาไม่น่าจะอยู่นะเมื่อผู้จารับสารอวัยศักดทีนี้ไม่วุ่นวายทีนี้ไม่กัดข้อมาทีนี้เติดตั้งลงเตื่เราจะแสดงธรรมกันเตื่ไอความกังวลเนี่มันหายนะความกังวลในทรงแสดงไว้ทั้งสิบอย่างอนะที่จริงก็สรุปว่าคิดออกจากเรื่องนอกเรื่องที่เราจะสงบมันเป็นความกังวลทั้งนั้นนะเพราอมาถึงพ่อของยศักดิก็เหมือนกัน พระเจ้ารับสั่งอย่างนั้นท่านก็คลายใจยคลายกังวลแล้วก็ทรงแสดงธรรมเทศนาเดิมนะซ้าเห็นไมท่านก็ได้เป็นศีลพอนั่งปั๊บมันก็เป็นศีลพอเริ่มฟังก็เริ่มสมาธิแล้วก็ปัญญาเป็นกระบวนการที่ต่อเนื่องกันไปเนี่ยแล้วธรรมะเหล่านี้เอามาอามามแสดงเป็นข้ อ, อามาแสดงเป็นข้อทีหลังอนะ่ะที่จริงมันเป็นกระบวนการของมันอยู่แล้วที่ ท่านพูดเอาไว้ว่าสอนให้รู้ทำให้ดูอยู่ให้เห็นคือธรรมะเนี่ยบางทีก็เอามาแสดงออกแต่ธรรมะเราทำก็ออกมาจากหลักการที่ท่านได้ปฏิบัติได้โดยเฉพาะพระพุทธเจ้าเนี่หมายความว่าสิ่งที่นำมาสั่งสอนน่ะมันมันเนื้อหาสาระจริงๆไม่ใช่ปริยัติมันเป็นปฏิเวทจากพระไถยของพระองค์เพียงแต่ว่าเราไปเรียนเนี่ยจนพระปัญญขี ท, าาท่านฟังพยศาสท่านฟังก็เป็นปริยัติสมาธิท่าน ในขณะฟังเนท่านเป็นปฏิบัติไปด้วยแต่เสร็จแล้วท่านบรรลุมรรคผลพยาสาบรรลุมรรคผลเป็นร่างท่านก็เข้าถึงปฏิเวทปฏิเวทก็เป็นเช่นเดียวกับที่พระพุทธเจ้าท่านได้สัมผัสมานั่นก็คือพวกเนี้ยพอเอามาเขียนเวลาลักษขศจะเยอะเลยนะจะยาวเเลยพราะมันมีอะไรอยู่ภายในใจบ้างอะในกระบวนการที่ตั้งแต่พยาสาเริ่มเข้ามาเลยความเทศน่ จนบรรลุมคผลเป็นพระหานี่ยเราจะเห็นว่าศีลสมบูรณ์สมาธิสมบูรณ์ปัญญาสมบูรณ์เลยสมบูรณ์หมดฮะทั้งศีลสมาธิปัญญาแต่ถามว่าท่านจะมาทานศีลไหม่ไม่ะไ ม, ไ ม, ไ ม, ไม่ต้องสมาทานเพราะศีลมันจริงจริงมันเป็นสํารวมมันเจตนาวิรัตงดเว้นสํารวมระวังไม่ล่วงละเมิดมันก็กลายเป็นศีลไปโดยอัตโนมัติดังนั้นอแนวของการเจริญเนี่ยมันก็คือการดึงเอาไอคุณธรรมที่มันเป็นกระบวนการอยู่ภายในใจอะ่ะ ปัญ ใ, ใจของผู้ประพฤติปฏิบัติเนี่ยเอามาแสดงพราะนั้นเราจึงจึงจึงเพราะว่าใช้คํามาแสดงไม่ได้ใช้คําว่าบัญญตัติหรือไม่ใช้คําว่าแต่งตั้งอะไรแต่ไหคือแสดงฮะแสดงจากสิ่งที่เกิดขึ้นภายในพระทัยของพระองค์นั่นเองแต่พระองค์นั้นเข้าถึงพระสัพพันธ์อยู่แล้วเพราะฉะนั้นเวลาออกมาจากพระโอษฐ์เนี่ยมันมีความเป็นปฏิเวทยอยู่ตรงนั้น แต่พอเข้าหูคนอื่นมันก็เป็นปริยัตยนะฮะปริยัตยิสำหรับคนอื่นตอลงมาปริยัตยปฏิบัติปฏิเวทเนี่ยมันจะมีลักษณะหมุนเป็นวงกลมปฏิเวทปริยัตปฏิบัติตแล้วก็เป็นปฏิเวทมันหมุนวงกลมแล้วก็มาบรรจบกันเพราะธรรมะเหล่าเนี้ยมันจึงจุดหนึ่งก็กลายเป็นมากเป็นมากที่จะวัดสภาพจิตใจของคนเนี่ยว่าท่านได้สมาธิไหม อย่างเวลานี้เราจะเห็นว่าเราตื่นเต้นแทงสมาธิกันมากแล้วก็กระบวนการล่าพระอรหันต์ก็เกิดขึ้นเยอะแยะไปหมดเลยต่อไปกันแล้วก็มาสรุปดีมาตั้งเป็นกองเชียร์มีหน้ามาอะไรต่ออะไรกันมากมายกันกองแล้วไม่ใช่เรื่องใหม่นะที่จริงเป็นเรื่องเก่าคือถ้าเราดูว่าหลังสิบสี่ตุลาเนี่ยหลังสิบสี่ตุลาเขาประมาณสักพอศห้าร้อยยี่สี่เอ็ดยิบสองยบสามตัแต่เนี่ยนะ ระบวนการล่าภารหันก็เกิดบ้านเกิดเมืองเหมือนกันนะมีพระอรหันเกิดขึ้นเยอะหนังสือพิมพ์แต่งต่้งให้พวกจัดทัวร์พวกจัดอะไรล่ะทําหนังสือหนังสือเกี่ยวกับพระเนี่ยแล้วก็แต่งตั้งท่านเหล่านั้นบรรยายจนเป็นพระอรหันไปได้แล้วก็หายไปเลยพระอาตมเป็นพระอรหันหายไปเยอะเลยนะฮะติดังก็สึกไปันั้นก็คือก็คือแสดงว่าเราไม่ได้ใช้มากวัด ไม่ได้ใช้มาก ว, าว่าท่านเนี่ยเป็นผู้ส ง, งบภายในหรือไม่เออเช่นอะไรล่ะเช่นว่าสมาธิเนี่ยมันมาเกิดขึ้นแล้วมันไปส ง, งบกิเลสประเภทโลภะประเภทกามราคะหมายความว่ากรรมราคะส ง, งบโลภะก็ส ง, งบก็งงบคือกันนะกรมราคะสงบก็โลภะก็ส ง, งบโลภะสงบกรรมราคะก็สงบรับยิงกิเลสประเภทคว้าด้วยกัน สิ่งที่เราโลภนะ่ะก็คือวัตถุกรรมซะแก่แต่ว่าการมราคะมันจะเน้นไปที่เรื่องเพศเป็นหลักกันนั้นเองโดยเนื้อหาสาระจริงๆก็คือกิเลสประเภทโลภทีนี้ตัวสมาธิเนี่ยมันจะตัวสงบเพราะเราจะเห็นว่าสํานักกัรมฐ า, านบางแห่งแล้ว ม, มีความขัดแย้งกับตัวสมาธิเพราะเราผูโลภจังเลยเได้ไรจังเลยได้ไรไม่หยุดเลย แล้วก็เราก็แห่กันไปบริจาคคนก็ไปแห่กันไปบริจาคแล้วเวลาท่านว่าอะไรถูกหมดเลยโดยเราไม่ได้ใายมากว่ามันขัดแย้งกันถ้าท่านบนถ้าท่านเป็นสมาธิจริงๆเนี่ยท่านต้องสงบการมฉันท่านต้องไม่โลภไม่แสดงความอยากได้ออกมาแต่แน่ น, นอนคือถ้าหากว่าญาติโยมจะบริจาคบริจาคอะไรท่านเห็นว่ามันมีทางที่จะทํางานได้เนี่ยก็ได้นะฮะไม่ได้แปลกอะไร แต่ว่าไม่ใช่รับเพื่อตัวเองเป็นการรับเพื่อสังคมเพื่อสวนรวมเราจะเห็นว่าเวลานี้อย่างพระบางทีไปสร้างโรงเรียนโรงพยาบาลมันคนอื่นไม่สามารถจะไปช่วยเขาได้พระก็เข้าไปช่วยอย่างเวลานี้อย่างสมเด็จพระสังฆราชที่วัดเนี่ยทรงสร้างโรงพยาบาล เ, าเรียสกุลมาสังกปนายกอุทิศถวายสังฆราชตั้งแต่ตั้งโรงรัตนโกสินมาเนี่ สิบเก้าหลังนะเกือบจะครบแล้วนะฮะสร้างเงี ย, งยบๆอย่างเงี้ยก็ไม่มีใครรู้อะแต่หมายคาม ว, ว่าคนก็มาช่วยท่านก็ทำให้โรงพยาบาลนั้นก็เสร็จเร็วขึ้นนี่ก็คือมันไม่ได้อยู่ที่เรายินดีในตรงนั้นแต่ว่าเป็นความต้องการที่จะสงเคราะห์ประชาชนเพราะปัญหาเหล่านี้มันก็เข้ามาในเรื่องของสังคม แต่ทีนี้ถ้าทำเพื่อตัวเองสร้างจั ก, กรวรดิของตัวเองเพื่อความยิ่งใหญ่ของตัวเองเคยคุยกับอาจารย์กับระฐานท่านเองตอนนี้ท่านจิ้นมานภาพไปแล้วกระถามมาหลวงพอ่อหลวงพ่อนี่มีบารมีเยอะมีคนเองเงินอาทองมาให้เยอะวันทงทีท่านได้เป็นล้านนะนะกระถามมาหลวงพ่อน่าจะไปสนับสนุนสำนักเรียนต่างๆคนที่เดือดร้อนวัดที่ขัดสนต่างๆเนี่ย เอาแหละพอถวายวัดก็มาช่วยเรื่องการศึกษาเราเรียนของพระเนรการเจ็บไขยได้ป่วยของพระอิศุสามนเนรเนี่ยมันมีเยอะใหญ่เหลือเกินในปัญหาเนี่ยท่านบอกว่าโครงการเน่ยยังไม่บรรลุโครงการทนะี่ท่านทำยังไม่บรรลุเพราะงั้นก็ยังยิงไปช่วยคนอื่นไม่ได้บอกให้หลวงพ่อตายมันก็ไม่บรรลุหรอกตายไปแล้วเนี่ยงานนี่ไม่เสร็จไม่มีใครทํางานเสร็จแล้วก็ตายมันมีคนที่ทํางานค้างไว้แล้วก็ตายาากับทัานนั้นเอง เพราะงั้นเราจะเห็นว่าในแนวของปริยัตปฏิบัติปฏิเวทเนี่ยที่จริงพวกนี้กลายเป็นมากทั้งหมดธรรมะองค์ธรรมทั้งหลายที่ทรงแสดงเนี่ยมันเป็นมากอยู่ในอยู่ด้วยในตัวนะฮะหมายความถ้ามีอย่างนี้ก็แสดงว่าต้องไม่มีสิ่งนี้เช่นอะไรลนะเช่นเช่นยกตัวอย่างว่าเราสมมติว่าเรามีปีติดีใจเรามีปีติเนี่ยเราจะไม่มีโทสะ ใจเรามีความสุขเนี่ยเราจะไม่ฟุ้งนะฮะถ้าเราสุขแล้วเราอยู่ที่ไหนก็ตามแต่เราสุขในใจเราจะไม่ฟุง้งถ้าเรามีวิตกเนี่ยเราจะไม่ง่วงนะถ้าเรามีวิจารเนี่ยเราจะไม่เครือบแคลงสงสัยแล้วถ้าเรามีสมาธิเนี่ยเราจะสงบครรมฉันอันนี้คือหมายความว่าสองด้านเนี่ยมันมันมันมันจะไม่ปรากฏร่วมกันแต่ว่าเนื่องจากเป็นระดับสมาธิ มันไม่ใช่ระดับปัญญาที่จะขจัดได้สิ้นเชิงนะฮะมันก็คล้ายๆกับเราเปิดสวิตไฟขึ้นมาในห้องถนะามความมืดไปไหนล่ะอยู่ในห้องนั่นแหละแต่ว่าคุณรักษาแสงสว่างไว้ตลอดแต่ความมืดมันไม่ปรากฏ้อกแต่คุณย้ายคอยดับนะแต่คอยดับแล้วความมืดจะปรากฏตัวทันทีเลยเพราะแกอยู่ตัว น, นั้นเองกิเลสที่ซึ่งสยบไว้ด้วยพลังลสมาธิมันจะมีลักษณะอย่างนั้น คือมันไม่ได้หายไปไม่เหมือนกับของพระอรหันก์อริยบุคคลที่มันที่มันหายไปแต่พวกนี้มันถูกสยบไว้เฉยๆกลายๆกลางูพิษที่เราเอาไม้ไปกดศีรษะมันไปเนี่ยมันก็ไม่ได้หมายความว่ามันจะดิ้นรนอะไรออกมาไม่ได้นะพวกนี้จังการยังยังเป็นกุปธรรมคือยังกำเริบอยู่ยังเปลี่ยนแปลงไป ก็คงจะนำท่านทั้งหลายไปศึกษาในมหาสติปัฏฐานสูตรก็ก็คงนานพอสมควรนะแต่ว่าก็จะไม่ให้พิสดารมากเกินไปอย่างที่บรรยายที่ตึกสวร ธ, ธรรมนิเวศนะแต่ว่าเป็นเรื่องที่น่าศึกษาไว้แม้บางเรื่องมันอาจจะห่างไกลตัวไปหน่อยแต่ถ้า ให้มีหลักอยู่ไปในใจบ้างเนี่ยแต่และอย่างเนี่ยมันสามารถปฏิบัติได้ระดับหนึ่งเสมอไปก็ให้มีความสนใจมีความตั้งใจเพราะว่าถ้าเราเข้าถึงเนื้อหาแล้วเนี่ยมันก็ไม่มีรูปแบบอะไรเป็นพระธรรมเทศนาที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงแก่ชาวบ้านนะที่จริง มาความภิกษุอยู่ด้วยตรงนั้นนภิกษุอยู่ด้วยชาวบ้านก็บอกฝ้าพระพุตตะจา ว, วิธีการนั่งก็คือพระก็นั่งข้างหน้านะล้อมวัปพุตตเจ้าชาวบ้านก็นั่งต่อพระพักวัปปุตตเจ้าวเพราะมีประปเทศบางประเทศกับเตกโยมนั่นแหละแต่ว่าใช้คำว่าภิกษุทั้งหลายคือเทศผ่านภิกษุพูดง่ายประเทศผ่านภิกษุเพราะว่าเรื่องบางเรื่องมุ่งจะสอนโยมมันก็ไม่ไหวมันก็มันก็หนักเกิดไป เราเป็นที่น่าสังเกตว่าแคว้นกุรุเนี่ชอบคนนะคือดูไปสูตรหลายไปสูตรไปรสูตรตึกซึ้งทั้งนั้นเลยท่านบอกว่าคนในแคว้นนี้มันเก่งขนาดว่าจะเริงกรรมฐานขนาดว่าเป็นนกแก้วเนี่ยยังจะเริงกรรมฐานได้นกแก้วตัวหนึ่งก็เล่าว่านกแก้วตัวหนึ่งชื่อพุทธรักกิตภิกษุณีเขาเรียกว้แล้วต่อมาเนี่ยมันก็ รูพ้พูดกมันพูดจะมันผูดได้แล้วก็สอนในเจริญกรรมฐานไม่พิสุดนีถ้าก็สอนในเจริญกรรมฐานต่อมามันถูกเหี่ยวเชียวโปกซัมเนรีก็ไล่นะไล่เหยียวไว้ปล่อยนอกแก้วในสุดเหยียวมันก็ปล่อยปล่อยลงมานกแก้วแก้วนกแขกแก้วก็บินกลับมา คิสุีท่านถามมาเธอคิดยังไงตอนเหี่ยวเฉียวไปเนี่เธอคิดยังไงคิดแปลกนะฮะมนุษย์เรายังคิดไม่ได้นะแกบอกว่าคิดว่ากองกระดูกกำมังนํากองกระดูกคือกองกระดูกสองกองคือกองกระดูกกองเหี่ยวกับกองกระดูกของแกนะกองกระดูกกำมังนํากองกระดูกนะไปแล้วในสุดก็จะตกเรี่ยรายหยู่ในที่ใดที่หนึ่งนั้นก็ เป็นการเจริญในแนวของมนัสติและในขณะเดียวกันก็พิจารณาดูร่างกายของตัวเองก็ที่จริงก็เป็ น, ปนโครงกระดูกนะครับพระเจ้าทรงสอเนเราพิจารณาว่าร่างกายนี่มันเหมือนกับโครงกระดูกมันเหมือนกับโครงร่างที่กระดูกประมาณสามร้อยต้นนะเกือบเกือบสามร้อยต้นเนี่ยแต่ในบางีนี่ใช้คำว่าสามร้อยเลยนะครับคือยังสงสัยเคยถามแพทย์ก็บอกไม่ถึง แต่ว่าวิธีนับจะนับยังไงเราก็ไม่รู้นะว่าวิธีการนับเนี่ยมันมันต้องลงตัวนะคือถ้าทําไม่ลงตัวเราคงจะไม่พูดสามร้อยท่อนทุกแหง่งแต่เราเจอสามร้อยท่อนทุกแหง่งแต่เราเคยถามหมอหมอบอกว่าไม่ไม่ถึงแต่ว่าเราก็ไม่ได้ถามวิธีนับนะะวิธีนับหบอเขานับยังไง เศษเล็กเ็จน้อยนับกันยังไงเพราะว่าแน่ศาสนาเนี่ยเอาเป็จริงที่มันเป็นขนาดนะฮะเป็นขณะเป็นอ น, นุกันเลยก็นับนับนับนับส่วนย่อยที่สุดแล้วก็เราอาจจะนับเป็นชิ้นๆไปเลยบางทีข้อต่อต่อตางๆไม่ได้นับอะไรก็ได้นะแต่ก็บอกไว้เนี่ยแล้วก็มันมัดไว้ด้วยเส้นเอ็นแล้วก็ฉาบไว้ด้วยเนื้อนะฮะแล้วก็หุ้มไว้ด้วยหนัง แต่มันเป็นที่ตั้งของโอ๋อาหางการมามังการมันใหญ่มากๆเลยอัตรามันใหญ่เบเร่อไปเลยกระรทั้งที่เราจับใส่โงแล้วก็นึกนึกถึงโลงทุกคราว่ะนะจะไปงานศพจริงจิงนั่งคิดจะดีเรามันก็เป็นอย่างงั้นแหละประเดี๋ยวก็เข้าไปอยู่ในโงเวลาไปเผาเผาศ พ, พออใครก็คิดว่าเออวันนี้เราเผาเขาต่อไปคนอื่นก็เผาเรากนที่เราได้เผาเขาเขาก็ไม่ได้เผาเรา คนที่เผาเราเราก็ไม่ได้เผาเขาแต่ว่าทุกคนในสุดมัน ก, ก็จบลงที่การถูกเผาถูกเผาแล้วถูกฟังกัแล้วแต่ก็จบลงที่ความตายในแต่ละชาติแต่ละชาตินี่ว่าแนวแนวตัวเนี้ยเป็นแนวที่กระ ต, ตุ้นเตือนให้คนใช้สติสมามัญญาความเพียร น, นะฮะซึ่งซึ่งเป็นธรรมะตัวหลักเลยเป็นธรรมะตัวหลักก็ใช้สติสมามัญญาความเพียรเนี่ย แต่รับสั่งนะฮะรับสั่งแสดงไว้ว่าภิกษุทั้งหลายคือคือคือพระพุทธเจ้าต้องการจะแสดงเองก็เรียกว่าอัตัชาสยาคืออัจฉริยะสายของพระองค์เนี่ยต้องการจะแสดงเองเพราะนั้นก็ต้องกระตุ้นเตือนภิกษุภิกษุก็กราบทูลรับการเรียกแล้รับสั่งว่าภิกษุทั้งหลายทางนี้เป็นทางไปอันเอก คือว่าเป็นที่ไปของบุคคลผู้เดียวมันก็เหมือนกับคล้ายๆอะไรล่ะแต่จริงๆอ่ะมันเหมือนกับเรานั่งตั้งวงกินอาหารนะลองสังเกตนะต่างคนต่างกินต่างคนต่างอร่อยต่างคนต่างอิ่มเพราะฉะนั้นธรรมะปฏิบัติจะมีลักษณะอย่างนั้นนะต่างคนต่างประับที่ชอบในเรื่องตัวเองแบบน่าถากก็น่าทำที่กล่าวไว้ในวันก่อนเนี่ยเมื่อเราอ่านหนังสือต่างคนต่างอ่านนั่งล้อมวงอ่านกัน ตางคนต่างอ่านตางคนต่างรู้นะต่างคนต่างจำต่างคนต่างเข้าใจมันไม่ได้สามารถจะเปล่อแผ่อะไรกันได้นี่มันอยู่ในกฎในกฎของกรรมล้วนทางอย่างนี้เป็นทางไปแห่งเดียวแล้วก็เดินไปคนเดียวนะฮะไปจากนั่งตะกีคนก็ตามต่างคนต่างทำต่างคนต่างปฏิบัติเพื่ออะไรเพื่อความหมดจดแถ่งสัตว์ทั้งหลายหลักการในทางศาสนานั่นคือมุ่งระสู่ความบริสุทธิ์ เดยวอย่าลว่าโลกเรามันถูกปิดบังไว้ด้วยอวิชชาอาวิชามันก็ทําให้มืดบอดบางการที่จะเกิดสว่างขึ้นมาได้มันต้องกระจัดอวิชชาทีนี้ถ้าตาอวิชาถูกกจัดไปเนี่ยดย่างอืนก็ถูกกจัดตามไปคล้ายๆกันในห้องที่มันมืดเนี่ยเมื่อเราเปิดไฟขึ้นมาเนี่ยเราจะเห็นว่าแสงสว่างเกิดขึ้นความมืดหายไปทุกอย่างที่อยู่ในที่มืดเนี่ยมันก็จะปรากฏ สายตาของเราเพราะว่าแสงสว่างมันช่วยเราได้พบเห็นเราดันดังนั้นมันตรงนี้มันก็กลายเป็นกระบวนการความบริสุทธิ์หมดจดทีม่มันเป็นเป้าหมายบางครั้งเราก็พูดถึงความบริสุทธิ์จนบริสุทธิ์หมดจดจากอาสวะกิเลสเครื่องสศร้มองทั้งหลายเนี่ยฮะแต่ที่จริงตรงนี้มันเป็นผลซึ่งเกิดมาจากพรจากเกิดเกิดมาจากญาณ น, นะฮะญาณที่เป็นการรวมตัวของอะไรมาภัยองค์แปดประการมาเกิดเป็นญาณขึ้นมา แล้วก็ทาหน้าทัดทหน้าที่กระจายอภิชาออกไปใจของท่านของบริสุทธิ์แล้วฟังทั้งหลายใต้ร่มพระพุทธญาณในวันนี้ขอยุติไว้ด้วยเวลาเป็นครันี้ที่สุดนี้ขอความเจริญง้อ ง, งามไปบูรณนธรรมจงมีแด่ท่านผู้ฟังทั้งหลายโดยโทั่วกันสวัสดี